พระธรรมเทศนาแผ่นที่6 7สดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กุมภาพันธ์ 2,558 มีชื่อเรื่องว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา วันนี้อตาตมาภาพได้ออกมาจากวัดก็คิดว่าจะมาให้เร็วพอมาเดินทางมามีแต่รถอ้อยเต็มถนนไปหมด <c oughs> เออก็อเลยทําเดินทางช้าเลยตอนนี้กว่าจะกว่าจะแซงรถอ้อยแต่ได้แต่ละคันโอ้โถโถโถเด็อดรถอ้อยกําลังออกเพราะตอนเย็นๆรถรนอ้อยก็ออกมาจากป่า <c oughs> วันนี้ท่านท่านเจ้าภาพท่านได้กล่าวว่ารัตนานมนม์หลวงพ่อมาเพื่อเป็นองค์แสดงธรรมแต่หลวงพ่อกับที่แรกก็คิดว่าจะมาวันพระราชทานเพลิงวันที่8แต่หลวงพ่อก็ติดภารกิจทั้งสองงานในวันนั้นแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อ เขียนขึ้นไปไว้แล้วนะบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยขึ้นเลขเจ็ดแล้วการที่จะไปที่ใดรับนิ ม, มนต์ที่ใดเนี่ยหลวงพ่อคงจะผ่อนผ่อนลงละ เ, เพราะว่าขึ้นเลขเจ็ดแล้วมันไม่ฉนุกแล้วแต่ที่ไหนได้งานก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆอีกเหมือนกันท่นี่แต่ ว, ว่าในคราวนี้กันเนี่ยท่าน ท่านโจวัดกับคุณนายารู้จักมักคุนกระแตะนมนานแต่สมัยหลวงพ่ออยู่บ้านตาดก็ว่าได้ามากับคราวนี้ก็ท่านกนิมนต์หลวงพ่อหรืออ้าวก็ได้มาในวันนี้แหละได้มาพบคณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานาทุกคนโยมกุณตา คุณตาอารุณแต้สุวรรณอายุแปดสิบเจ็ดปีก็อายุมากแล้วเนี่ยแต่นามสกุลแต้สุวรรณในหลวงพ่อก็มีโยมคนหนึ่งทางกรุงเทพนะแต่เป็นคนมาจากนาครพนมแต่ว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนนครพนมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮ ะ, ะในเจ๋งเจ๋งแต่สุวรรณที่ที่กรุงเทพนะ นั่นอะ่ะเขามาหาหลวงพ่อมาบ่อยทั้งคุณแม่ทั้งคุ ณ, ท, คณทั้งคุณพ่อเสียไปแล้วยังเหลือแต่คุณแม่อันนี้มาเห็นนามสกุลแต่ส่วนอา้านามสกุลของเจ๋งในวา <c oughs> แต่ถึงยังไงถึงคุณพ่ออายุมากแต่ลูกหลานทุกคน ทั้งลูกทั้งหลานผู้เกี่ยวข้องพอท่านจากไปแล้วพอมันเหมือนกับอะไรสะท้านหวั่นไหวลึกๆอยา่างหลวงพ่อก็เหมือนกันอยู่กับองค์หลวงตาออพอองค์หลวงตาจากไปเนี่ยรู้สึกว่ามันสะท้านหวั่นไหวคล้ายๆว่ามันมั น, ม, นมันรู้สึกรู้สึกอยู่ข้างในยึกลึกๆนะแต่มันพูดอะไรจะจะทำยังไงฮะแล้วก็มาถึงหลวงปู่ล่าก็เหมือนกัน ที่เป็นครูบาอาจารย์นี่ก็เหมือนกันนะความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกของลูกของหลานทุกคนในเมื่อมาถึงคราวผู้ที่เราพวกเรารักครเคารพที่จากไปในความรู้สึกมันสถานหรือว่าบันไหวแต่จะทํำยังไงได้พอโลกอนิจจังทุกขังอนัตตา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 สัมพุทธามรณธรรมโมหิมะระนังอนาตติโตขยัวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติติวันนี้เป็นวันที่คณะสัตายาติโยมลูกหลานผู้ที่เกี่ยวข้องคือหลวงตา อรุณแต่สุวรรณท่านก็อายุก็มากพอสมควรแ 8, ปดสิบเจ็ดปีท่านไม่ท่านมรณภาพเมื่อวันที่สี่วันที่สี่กุมภาพันธ์ห้าแปดท่านได้จากลูกหลานไปแต่ถึงยังไงลูกหลานทั้งหลาย ที่เป็นที่รักเคารพคือร่มโพ ร, ร่มใสของลูกหลานในเมื่อต้นร่มโพ ร, ร่มใสโค่นล้มลูกหลานก็จะต้องอมีความรู้สึกสถานหวั่นไหวในจิตในใจมากทีเดียวไ ม, ไม่ใช่ว่ า, าไม่ได้บอกว่ า, าบ้างไม่ใช่ว่าอย่างนั้นมากทีเดียว เพราะว่าพวกเราได้อยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงยังไงทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงท่านไม่ได้พูดได้กล่าวอะไรแต่พวกเราเข้ามาก็ยังมีที่มุ่งเรีวยว่าเป็นที่ว่างปิดที่หวังลึกๆในจิตใจอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดกับคณะสัตยาิโยมว่าเมื่อหลวงปู่ล่าที่เป็น ที่หลวงพ่อเป็นสำ ม, มนเนิน้อยอยู่กับท่านเมื่อตั้งตั้งแต่อายุ1112อ็ดสิอปีจนได้บวชเป็นพระเป็นเวลาถึง9ปีอยู่กับองค์ท่านจากนั้นก็ได้มาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวเมื่อพรรษาที่สี่มาเอาพรรษาที่หที่วัดป่าบ้านตาดจน25งพัอยยี่สเป็นเวลา14ปีอยู่กับองค์หลวงตานี่แหละ เวลาครูบาอาจารย์เนือหัวหลวงปู่ล่าเวลาขึ้นไปบนภูเขาไปเห็นท่านอ่ะเอออบอุ่นเออพราะเราเป็น เ, ออเด็กน้อยเนน้อยอยู่กับองค์ท่าน เ, ออเมื่อเราเป็นพระแล้วไปถือว่าท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เ, ออเวลาขึ้นไปก็อบอุ่นพอท่านจากไปเท่า น, นั้นแหละออรู้สึกว่าจิตใจขึ้นไปแล้วขึ้นไปบนหลังเขาแล้วมันคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่เย็น ไม่ใช่เย็นแบบนั้นเย็นเย็นใจเย็นลึกๆคลายๆกับว่ามันลักษณะว้าวี ว, าว้าวอ้างว้างในความรู้สึกพวกเราคณะสัทยาญาิโยมทั้งหลายหลวงพว่อเคคิดว่าอารมณ์เช่นนั้นก็คงจะเกิดขึ้นกับพวกเราแต่ถึงยังไงจะทำยังไงได้เพราะว่าชีวิตของพวกเราอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่า มรณะทำโมหิมรณงอนัตติโต เ, เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนที่ท่านได้ตรัสเอาไว้มีเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแต่ตามไม่จริงมันถูกกับใครแต่ในคําพูดนั่นก็คือธรรมดาแต่เมื่อถูกกับใครแล้วมันไม่ใท่ธรรมดา เออมันยิ่งพอถือเจอกับเราแล้วก็สะถานวันไหวมากที่เดียวไม่ใช่ธรรมดาเลแต่ถึงยังไงจะทํำยังไงได้ถ้าจะไม่ทําใจตัวเองคงไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหท่อนกัน้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้วางทําใจของตนเองว่าชีวิตเกิดของเราเกิดมาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องประสบพบเห็นอย่างนี้ไม่มากก่็ น, น้อย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 ท่านเห็นอะไรท่านมีความรู้สึกยังไงในช่วงนั้นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านเสด็จออกไปชสมสวนอุทยานไปเห็นคนแก่เป็นอันดับแรกพอไปเห็นคนแก่แล้วไปเห็นคนเจ็บจากนั้นก็ไปเห็นคนตายแล้วก็ไปเห็นสมณะสมณะคือนักพรตนักบวชคือนักบวชอ ท่านก็นั่งอยู่โคลนต้นไม้ตามลําพังนักปวดนั่งขัดสมาธิอยู่ตามลําพังนิ่งท่านไปถึงสี่วันนะไม่ใช่ไปติดต่อในวันเดียวนะเห็นวันหนึ่งไปเห็นคนแก่แล้วก็กลับเปียงวัง เ, เสียความรู้สึกแล้วก็ไปอีกวันที่สวันที่สมที่สี่ไปอีกไปเห็นคนเจ็บชักดิ่นชักงออยู่ในเปที่คนเจ็บก็ถามนายชนธีนาย ผู้ขับรถมา้าอันนั้นเป็นใครในายชันนาเป็นผู้เป็นผู้ขับรถมา้าอันนั้นก็คือคนเก็บออท่านก็สลดใจอีกเหมือนกันต่อมาไปเห็นคนตายจากนั้นก็ไปเห็นสั ม, มณะถ้าพอเห็นส ม, มณะเนี่ยคิดได้สานึกได้แบบถ้าหากว่าเราออกไปนั่งคิดคุ้คิดอย่างสัมปณะท่านนี้นะ่ไปอยู่ตามลำพังอยู่ในโคลนต้นไม้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 อยู่ในป่าพอออกเวลากลางคืนเที่ยงคืนกับนายชันน่ะสองคนพระองค์ก็นั่งขี่ม้าขันตะกะนายชันนะกาะเกาะนั่งซ้อนซ้อนท้ายจากด้านพระองค์ก็นั่งขับมา้าไปถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าจากกรุงกบิลพัฒน์ไปถึงแม่น้ําอโนมาณทีที่พระพุทธเจ้าทรงผนวตร ห่างกันประมาณสองร้อยกว่ากิโลนะก็ไม่ใช่ใกล้เหมือนกันนะไ <c oughs> กลทีเดียวจากจากอ <c oughs> ุดรไปขอนแก่นเพียงร้อยี่สิบกิโลอันนี้ถึงสองร้อยกิโลคงจะนู่นเกือบถึงพี่ไมล์บนนังมังก็ไกลพอสมควรที่ม้าวิ่งไปจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ทรงพนวดบวชอยู่ตามลำพังเป็นเวลาถึงหกปีเนี่ย นี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นคว้าหาช่องทางที่ว่าจะทํำยังไงเพราะถ้าจะว่าไปท่านเรานึกนึกดูแล้วก็พระพุทธเจ้ากลัวตายกลัวตา ย, ก ล, ตายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายท่านจึงหาช่องทางทางว่าพวกเราท่านทั้งหลายพออยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่พุทธบารมีของพระองค์ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าบารมีของพระองค์ก็พร้อม ท่านจึงนึกคิดหาทางออกจากนั้นพระองค์ก็ไปอยู่ในปา่าบำเพ็ญหลายหลายอย่างลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับท่านไปค้นคว้าศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือกเกษตรศาสตร์หรือหาความรู้บ้างอย่างที่ท่านต้องการแต่นี่ท่านไปหาทางจิตศาสตร์คือทางด้านจิตใจจากนั้นพระองค์ก็ได้ทดลองหลายหลายอย่าง จนถึงอดพรกระาหารถึง49วันท่านบอกว่าไม่ใช่ทางการอดพรกระาหารถึง49นันไม่ใช่ทางจากนั้นพระ อ, องคนน์ก็นึกอลำเลึกถึงว่าสมัยท่านเป็นกุ ม, มารเป็นเด็กไปแลกนาขวัญกับพระปิดาเป็นนั่งยุติคโครนต้นว่าจากนั้นท่านก็ได้พอนางสนมกำนันพี่เลี้ยงนางนมหนีออกไปไปชม การแลกนาขวัญของพระบิดาปล่อยให้พระ อ, องค์อยู่ตามลำพังอยู่ที่โคลนต้นว่าพระ อ, องค์ก็ลุกขึ้นมาแ้วก็ น, นั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิแล้วกหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเน่งจากนั้น พอได้เวลาสนมกำนันแม่เลี้ยงนางนมก็เข้ามาพอมาเข้ามาแล้วก็พระองค์ก็ออกจากสมาธิตั้งแต่วันนั้นมาพระองค์ก็ไม่เคยไม่เคยนั่งสมาธิอีกเลยแต่ทาไมพระองค์จึงทำได้สมัยเป็นกุมารเป็นเด็กก็พ่อะว่าอุปนิสัยเก่าแก่ของพระองค์สมัยพระองค์ชาติพบชาติก่อนนั่นพระองค์ก็ได้ เป็นลือสีสีไพามาก่อนเพราะนั้นอุปนิสัยเก่าของพระองค์นั้นเมื่อมานั่งสมาธิเมื่อมามาถึงจุดนี้พอเห็นความสงบเงบเงียบไม่มีใครพุกพ่านวุ่นวายพระทัยใจของพระองค์ท่านก็คงจะเป็นอุปนิสัยเก่าพระองค์ก็ลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธินี่แหละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องเบื้องต้นที่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 พอไปอยู่ในป่าทั้งหกปีอายุสามสิบกว่าปีอาจจะสามสิบห้าสาสิบหกปีพระองค์ก็ไดเ้เมื่อนั่งขัดสมาธิถึงหยุดในป่าหกปีเอ้ที่เราไปแรกนาขวัญข้าพระบิดาข่าวนั้นน่ะที่เราเป็นศิริถะจะเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กน้อยข่าวนั้นน่ะอันนั้นก็มั้งเป็นหนทางฮเพราะท่านทุกอย่างท่านก็ทําไปแล้วนี่ตะอดปักกยาหารอ ะ, อะไรตัวไม่อะไร แต่โพท่านมาละลึกได้จุดนี้นะท่านกอคงคงจะใช่หนทางจากนั้นพระองค์ก็ได้วันเดือนหกเพนนายโสธิยะไปเกี่ยวญ่าคาในละแวกนั้นนายโสธิยะได้หาบญ่าคาผ่านมาเห็นสิทธัตถานั่งอยู่ตามลําพังอยู่ที่โคลนต้นโพสิทธิ์นายโสธิยะก็ได้นำย่าคาเข้าไปมอบให้สิท ธ, ธัตถะ ท่านชิต ธ, ธาก็ได้ยาคา8ปดกำมือที่นายโสธิยะนํามามอบให้นํามาถวายให้จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เอายาคา8ดกำมือคงจะประสานกันหัวท้ายเลยมั้เป็นอาสนะที่นั่งจากนั้นพระ อ, องค์ได้ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่บนยาคาแล้วก็หันพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อนั่งเมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย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 เมื่อจิตเนื้ อ, เ ม, อเมื่อพระไทยใจของพระองค์รวมลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาเกิดความรู้สึกพิเศษขึ้นมาในช่วงนั้นท่านตั้งเป็นพระบาลีว่าปุปเพนิวาสานุจติยานลำเลึกชาติขนหลังได้เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธทเจ้ า, าท่านบอกกล่าวไว้เลยว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกถ้าหากว่าพระพุทธองค์ระลึกชาติลดหลังผลหลังได้แต่แสดงว่าพระพุทธองค์มีชาติที่แล้วแต่ถ้าพระองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพระทุทธเจา้าบอกปุบเพนิวาสานุสติญาณคือตอนหัวค่ำระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเรามาจากไหนเรามาจากไหนมาเกิดเป็น สิทธิฐานที่กรุงกบินพัตท่านบอกมาจากสวรรค์ชั้นรุสิษย์ก่อนที่จะไปขึ้นสวรรค์ชั้นรุสิษย์นั้นมาจากไหนมาจากพระเวทสันดอดออกจากพระเวทสันนนมาจากไหนท่านจะไล่เรียงเป็นลๆๆๆําดับลําดับอันนี้ก็คือปุเพนิวาสานุสติญาณลํา ล, ลึกชาติคนหลักได้พอถึงเที่ยงคืนตูตูปะปาตายาดการจุติของสัพสัตทั้งหลาย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 ท่านมองมองดูแล้วคือกรรมคือการกระทําคิดไม่เหมือนกันทําไม่เหมือนกันโทษไม่เหมือนกันในเมื่อการกระทําไม่เหมือนกันในเมื่อผลกรรมตัว น, นั้นน่ะในชาติที่แล้วเนี่ยมาส่งมาถึงชาตินี้ชาตินี้ก็แปกแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเอ่อทำกรรมไม่ทำไม่ทํากรรมไม่เหมือนกั น, นอันนี้แหละหลักธรรมคาสอนของพะระเจ้าวะจูตูปะปาตยา น, นยจุดนี้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 มี Д ยาไม่ไหนลูกของฉันทําไมไม่กระดุกกระดิกเ อ, อไม่ร้องไห้ไม่เหมือนตะก่ อ, กอนอทําไมลูกของฉันเป็นอย่างนี้ อ, อคนทั้งหลายเอ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันนี่มันคนตายแล้วนี่เออมันคนตายเด็กตายแล้วลูกตายแต่ตายยังไงตายก็ยังอยู่นเนีอเอ่ยออหญิงที่คนเขารั ก, กรน่ะรักลูกเนี่ยบอกว่าตายยังอยู่อย่าไปตายไปที่ไหนเอก็ไม่เห็นรูปร่างมันเหมือนเก่าอยู่นี่ก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไร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 เขาไม่รู้ว่าความตายนั่นคืออะไรอีตางหเขาคงจะเป็นได้ลูกคนคนคนนี้เป็นคนแรกของลูกของเขาเพราะนั้นเขาจึงเขาจึงทาอย่างนี้แต่นี้บูรุษคนนั้นเป็นผู้ฉลาดเป็นทายกของวัดป่าเชตวันแต่ก็บอกออว่ายอมยิ้ายายนางเออเรารู้แต่เราไม่รู้ยานะแต่ให้ไปไปถามพระพทุทธเจ้าดูนะ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 ตัวเองโอ้ตายลูกของเราเนี่ยคงจะตายอย่างที่เขาว่าด น, นางก็เลยเอ า, เอาไปหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบนะเพราะเมืองอินเดียเขาไม่ได้ฝังได้เผาเนะ เ, เขาพาห่อเสร็จแล้วเขาก็โยนเข้าไปในป่าช้าผีตายเพราะมันตัวแข็งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่อ่อนเหมือนแต่ก่อนะเด็กตา ย, ยาจากนั้นก็นางก็เลยกลับมากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะ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 กีสาโคตมีให้เธอนึกคิดเอาึ์เธอ น, ะนี่นะชีวิตของคนเราเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะเกิดแก่เจ็บตายเนะี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ชาติเพราะนั้นท่านเธอทัท้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีอันนั้นหละเป็นหนทางแต่เกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้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 ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดาเนินที่ท่านนั่งจุดวิโครนต้นโพอย่างที่ว่านอย่างนั้นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวของเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติท่านก็ม า, มาแนะ น, นํามาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายบอก ว, ว่าวิธีการปฏิบัติจกักจะสํารวจสําให้สันตรวจ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 ถ้าว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆทาให้หลงลืมเผลอะเลอได้ลืมลืมได้เผลอได้เผลอได้ง่ายเพราะได้สัมพันธ์กับปุหายใจเข้าบริกรรมพดุดหายใจออกบริกรรมวัดโถพดุโถพดโทพุดโทเนี่ยถ้าเมื่อเราทําอย่างนี้ใจของเราจะเข้าสู่ความสงบในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจใจกับร่างกายของเรา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 ท่านโพูดตามความเป็นจริงให้เป็นให้พวกเราท่านทั้งหลายได้นึกได้คิดใขค้ควรภบทวนในการเป็นอยู่ของพวกเราสรุปแล้วคือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นวันนี้อาตมาภาเไร้กล่าวยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่ามรณะรมโมหิมรนรรมมมัรนงอนตีโต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 ตอนที่พระพองค์จะปรินิพานในวันเดือนหกเพนนถะที่เมืองกุสินาราพระพระธองค์ได้สั่งกับเสียกับพระสาวกทั้งหลายว่าขยะวยะธรรมาสร้างฆาราอัปมาเดนะซัมปาเดทตัติจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่ตรัสอะไรอีกเลยจากนั้นทำการปรินิพานพาสิทธิาคำนี้ท่านบอกกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะ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 จะทำคุณงามความดีเราคอบทำสิ่งนั้นสำหรับครรวะญาติโจกศิลห้าให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีเมื่อได้ดีทั้งสามอย่างคิดดีทำดีพูดดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งคดีโลกและคดีธรรมเพราะนั้นการกล่าวสังเวช ท, ทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่า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 บงศาคณาญาติที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้อุทิสศส่วนกุศลให้ท่านถัดดวงวิญญาณท่านตกทุกข์ได้ายากอย่างไรก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจิ่งๆิ ง, งขึ้นไปแต่ถึงอย่างไรพวกลูกหลานคณะสัตย า, าติโยมทั้งหลายที่ได้รู้ประวัติของท่านท่านเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงเป็นคนตรง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 ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอค่อยสมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเธอญ